พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสีคณกะโมคลานาสูตรว่าด้วยพรามชื่อคณกะโมคลานะข้อศึกษาข้อปฏิบตัติตามลำดับในอริยวินัยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคารมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหละคณกะโมคลานาพรามเข้าไปเฝ้า ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญปราสาทของมิขารมาตาหลังนี้มีการศึกษาโดยลําดับมีการกระทําโดยลําดับมีการปฏิบัติโ ด, ดยลําดับคือโครงสร้างบันไดชั้นล่างย่อมปรากฏแม้พรามเหล่านี้ก็มีการศึกษาโดยลําดับมีการกระทําโดยลําดับมีการปฏิบัติโ ด, ดยลําดับย่อมปรากฏด้วยการเล่าเรียน แม้นักรบเหล่านี้ก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทําโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับยอมปรากฏในเรื่องการใช้อาวุธแม้แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นนักคํานวณก็มีการศึกษามีการกระทํามีการปฏิบัติโดยลำดับยอมปรากฏในเรื่องการนับจํานวนเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้สิทธิ์แล้วเบื้องตนให้เขานับอย่างนี้ว่าหนึ่งหมวดหนึ่ง 2หมวดสองย่อมให้นับไปถึงจำนวนร้อยให้นับไปเกินจำนวนร้อยแม้ฉันใดข้าแต่พระโคดมพุทธเจริญพระองค์สามารถเพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทําโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในพระธรรมวินัยแม้นี้ฉันนั้นบ้างไหมการศึกษาและการปฏิบัติเป็นขั้นตอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พรามเราสามารถเพื่อจะปฏิบัติการศึกษาโดยลำดับการกระทําโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในทารมวิยินนี้ได้เปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้ชํานาญได้มาอาชาในตัวงามแล้วเบื้องต้นทีเดียวย่อมฝึกให้คุ้นกับการบังคับในบางเหีน้นต่อมาจึงฝึกให้คุ้นยิ่งขึ้นไปแม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บุรุษที่ควรฝึกแล้ว เบื้องต้นดีแล้วย่อมแนะนำอย่างนี้ว่ามาเถอะภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสารวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโกจร อ, อยู่จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดอาจาระหมายถึงความไม่ล่วงละเมิดทางกายวาจาและใจ ความสำรวมระวังในศีลทั้งปวงและการไม่เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาอาชีวะที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิคำว่าโคจรหมายถึงการไม่เที่ยวไปยังสถานที่ที่ไม่สมควรเที่ยวไปเช่นที่อยู่ของหญิงแพทยสยาการไม่คลุกคลีกับบุคคลที่ไม่สมควรคลุกคลีด้วยเช่นตระกูลที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใส ในการใดภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปฏิโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมท า, านศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถอะภิกษุเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทางวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเมื่อเธอเห็นรูปทางตาแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือ จงปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนสีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบากอากุศลธรรมคืออภิชาความเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นและโทมนั์ความทุกข์ใจครอบงาได้เธอจงรักษาจากขุนศีจงถึงความสํารวมในจากขุนสีและโดยในยะเดียวกันเธอฟังเสียงทางหูแล้วเธอดมกลิ่นทางจมูกแล้วเธอลิ้มรสทางลิ้นแล้ว เธอถูกต้องผพธิภาทางกายแล้วเธอรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์นั้นซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลละธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้เธอจงรักษาอินทรีย์จงถึงความสำรวมในอินทรีย์ราม ในการใดภิกษุเป็นผู้กุ้งครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายแล้วในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถอะภิกษุเธอจงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารคือเธอเพึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแตง่งแต่ฉันอาหารเพียงเพื่อความดมรงอยู่ได้แห่งกายนี้ เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์โรมอาจารย์ด้วยคิดเห็นว่าเราจะ ก, กำจัดเวทนาเก่าและจกไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่ภาสุจะมีแก่เราพรามในการใดภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารในการนั้น ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถอะภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องคือเธอจงชราระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมัยามแห่งราตรีนอนดุดราชสีดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะกำหนดใจพร้อมจะลุกขึ้นตลอดมัจฉิ ม, มายามแห่งราตรีจงลุกขึ้นชำระ จ, จิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะทั้งหลายที่เป็นเครื่องขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิ ม, มายามแห่งราตรีพรามในการใด้ภิกษุเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องในการนั้นตถาคตย่อมแนะนาเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า มาเถอะภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะคือทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปถอยกลับแลดูคูเข้าเหยียดออกการกรองสังคติบาทและจีวรการชันดด่มเคี้ยวการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินยืนนั่งนอนการตื่นการพูดการนิ่งพราม ในการได้ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถอะภิกษุเธอจงพักอยู่นาเสนาสนะอันเงียบสงัดกลับจากปินทบาตภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วนางขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นละอภิชาในโลกชาระจิตให้บริสุทธิ์จากอาภิชา คือความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นหลักความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรพพสัตต์อยู่ลถทีนมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากทีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะละอุทธะจักกุกกุ จ, จักคือความฟุ้งซ่านและรำคาญใจ เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในละวิจิกิจชาคือความลังเลสงสัยข้ามพ้นวิจิกิจชาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่จึงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชาได้ภิกษุนั้นละนิวรณห้านี้ที่ทำให้จิตเศร้าหมองบันทอนกำลังปัญญา สงัดจา ก, กรามและอกุศลลธรรมทั้งหลายแล้วเข้าปฐมฌมานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเข้าทุติยะฌานเพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามากายเข้าตติยะฌานเพราะละสุขละทุกข์ได้เพราะโสมนัตและโทมนัต ด, ดับไปก่อน เข้าจตุทัธาชานพรามในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเสขะผู้ยังไม่บรรลุอรหัสยังปรารถนาธรรมะที่เกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมอยู่เหล่านั้นเรามีคำพร่ำมสอนเช่นนี้แต่สำหรับภิกษุผู้เป็นพระอรหรันตขีณาศกอยู่จบรมจาร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสินภะวะสังโยชนแล้วหลุดพน้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเหล่านั้นธรรมเหล่านี้จึงจะเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปัชัญญะแก่เธอทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณกะโมคคลานักรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า สาวกของท่านพระโคดมที่ท่านพระโคดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้สำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวทุกพวกทีเดียวหรือหรือว่าบางพวกก็ไม่สำเร็จพระผู้มีพระภาตรัสว่าบางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จทูลถามว่าอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุให้นิพพานก็มีอยู่ ทางให้นิพพานก็มีอยู่ท่านพระโคโดมผู้ชักชวนก็มีพระชนอยู่แต่สาวกของท่านพระโคดมที่ท่านพระโคดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกถึงสาเร็จนิพพานแต่บางพวกกลับไม่สาเร็จพรามถ้าเช่นนั้นเราจะาถามท่านในเรื่องนี้ท่านชอบใจอย่างไรพึงพยากรณ์อย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร คือท่านสํานานทางไปกรุงราชกฤตไม่ใช่หรือทูลตอบว่าใช่ท่านพระโกดมพราหมณ์บุรุษผู้ปรารถนาจะไปกรุงราชกฤตพึงมาในที่นี้บุรุษนั้นเข้ามาหาท่านและพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปกรุงราชกฤตขอท่านจงบอกทางไปกรุงราชกฤตนั้นให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อคุณมาเถอะ ทางนี้ไปกรุงราชครึกท่าน จ, him, านานจากไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นหมู่บ้านชื่อโนนไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นนิคมชื่นโนนไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นสวนที่น่าเรื่อนรมป่าที่น่าเรื่อนรมภาคพื้นที่น่าเรื่อนลมของกรุงราชคฤึกบูรุษนั้นที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้จำทางผิดเดินไปทางตรงกันข้ามซะ ต่อมาบุรุษคนที่สองรัตนาจะไปกรุงราชคลึพึงเดินมาถามทางแก่ท่านท่านบอกทางไปโดยละเอียดบุรุษนั้นที่ท่านสั่งสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้พึงไปถึงกรุงราชคลึโดยสวัสดีพรามอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กรุงราชคลึก็มีอยู่ทางไปกรุงราชคลึก็มีอยู่ท่านผู้บอกก็ยังมีชีวิตอยู่แต่บุรุษที่ท่านสั่งสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ คนหนึ่งจำทางผิดเดินไปทางตรงกันข้ามส่วนอีกคนหนึ่งเดินทางไปถึงกรุงราชกฤย์โดยสวัสดีพ ร, รามกราบทูลว่าท่านพระัวดมในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรได้ข้าพเจ้าก็เป็นแค่ผู้บอกทางพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามฉันนั้นก็เหมือนกันนิพพานก็มีอยู่ทางไปนิพพานก็มีอยู่ เราตถาคตผู้ชักชวนก็มีอยู่ก็เมื่อเป็นเช่นนี้สาวกทั้งหลายของเราที่เราสั่งสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้ตถาคตก็เป็นแต่ผู้บอกทางเท่านั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณกะโมคลณ น, นัรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระกคดมบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาประสงค์จะเลี้ยงชีวิตออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเจ้าเล่ห์ปุงซ้านถือตัวโลเลกลับกรอกปากล่าพูดพรำเพื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร ไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องไม่นำพาในความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างจริงใจในสิกขามักม า, กมากย่อหย่อนไปเป็นผู้นำในโอกาสมณธรรมโอกาสมณธรรมในที่นี้หมายถึงนิวรห้คือกามชันทะพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุ จ, จักและวิจิกิจชาเป็นผู้ทอทุระในปวิเวกคือความสงัด เกียรร้านละเลยความเพียรหลงลืมสติไม่มีสัมปัชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกงมีปัญญาทึบเป็นดังคนหนวกและคนใบ้ท่านพระโคดมยอมอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นไม่ได้ส่วนคุณระบุผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้ไม่อ้อวดไม่มีมารญาไม่เจ้าเล่ยไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดร่ำเพรื่อคุ้มครองถวาวรในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องนำพาในความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างจริงใจในสิกขาไม่มักมากไม่ย่อหย่อนทอธุระในอกกับมณธรรมเป็นผู้นำในปวิเเวก ปรารบความเพียรอุทิศกายและใจมีสติมั่นคงมีสัมปัชัญญามีจิตตั้งมั่นมีจิตนแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดังคนหนวกและคนใบ้ท่านพระโคดมผู้เจริญยอมอยู่ร่วมกับกุลบุตรเหล่านั้นได้บรรดารากไม้หอมบรรดิตยกย่องกฤิศนาว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมบัณฑิต ยกย่องแก่นจันแดงว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีดอกหอมบัณดิตยกย่องดอกมะลิว่าเป็นเลิศแม้ฉันใดคำสั่งสอนของท่านพระโปดมก็ฉันนั้นเหมือนกันจัดว่ายอดเยี่ยมกว่าอัจฉธรรมทั้งหลายข้อนี้หมายถึงธรรมะคือคำสอนของลัทธิทั้งหกที่มีอยู่ในสมัยนั้นท่านพระโคดม ประภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลไหของที่ควา้าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโกดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอท่านพระโกดมโปรดทรงจาข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะ